จเจริญพรทุกท่านเมื่อกี้เด็กเขาไปบอกหลวงพ่อว่าโอ้มียี่สิบคนละ <c oughs> นึกว่าจะทำสถิติใหม่ <c oughs> เทศมีคนฟังยี่สิบคนนั่ง้ามีคนฟังก็เทศนะไม่ได้นับจำนวนหรอกอยู่ที่ความสนใจของคนฟังจำนวนมากหรือน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอก สำคัญว่าได้ประโยชน์แค่ไหนสมัยพุทธกาลขนาดพระพุทธเจ้าเทศที่มีคนฟังคนเดียวท่านก็เทศอยู่ที่ว่ามีประโยชน์หรือเปล่าฉะนั้นพวกเราวันนี้ถ้าฟังหลวงพ่อเราก็ได้ประโยชน์ก็คุ้มค่าที่เสียเวลากันด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลวงพ่อมาเทศก็เสียเวลาแล้วก็ออกมาแต่เช้าอนะไรเงี้ยเราพระบ้านนอก นานๆเข้ากรุงเทพทีใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมยกมือซนะิเยอะเหมือนกันเคยฟังซีดีไหมใครไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือมีไหมยกมือซิมีมีไม่มากถ้าไม่เคยฟังไม่เคยอ่านเลยเนะี่ยฟังหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยนะโดยธรรมชาติเลยต้องงงนะเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทศเนี่ยไม่ใช่ เรื่องวิเศษวิโสอะไรผิดปกติหรอกเพียงแต่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารยนะ์ท่านสอนธรรมะเนี่ยเพื่อการปฏิบัติเนี่ยตรงไปตรงมาถ้าสอนมงกว้างทนะ่าก็บอกให้พุโทโธไปหายใจไปอะไรเนะี่ยแต่พอเราปฏิบัติจริงๆไปหาท่านท่านสอนตอนนี้ลึกซึ้งขึ้นไป หลวงพ่ะก็พบว่าธรรมะภาคปฏิบัติแท้ๆเนี่ยถ้ามีการสอนกันบ้างนมันได้ประโยชน์กว่ากันเยอะเลยสอนแต่เรื่องทำทานถือศีลอะไรเนี่ยก็งั้นๆอ่ะนะว่าในความเป็นจริงแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำทานการรักษาศีลหรือการนั่งสมาธิในพวกเข้าวัดอย่างมากก็ไปเรื่องนั่งสมาธิกันแต่ว่าสมาธิแปลว่าอะไรสมาธิแปลจิตใจสงบนะ แปลก็ไม่ค่อยตรงนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นของอะไรความตั้งมั่นของจิตนี่บางคนบอกว่าต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาเราต้องรู้นะว่าสมาธิชนิดไหนทำให้เกิดปัญญาสมาธิชนิดไหนไม่ทำให้เกิดปัญญาสมาธิมีตั้ง ห, หลายแบบสมาธิส่วนใหญ่ที่ชอบนั่งนั่งกันมันสมาธิที่สงบเอาไว้พักผ่อน หรือไว้เที่ยวข้างนอกนะนั่งแล้วก็ถอดจิตไปเที่ยวนรกทเที่ยวสวรรค์อะไรก็ดีเหมือนกันนะทำให้กลัวบาปแต่สมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญานะันเป็นสมาธิที่อาภัพมากนะมันไม่ก็มีใครรู้จักนะไม่เฉพาะยุคเรานี้นะเมื่อสักสามสิบปีก่อนหลวงพ่อเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์หาคนซึ่ง มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหายากมากเลยหลวงพ่อฝึกสมาธิมาแต่เด็กนะฝึกทำความสงบมาแต่เด็กๆพอไปเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองเรารู้จักสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นก็นึกได้แล้วโอ้ทำสมาธิไปนะไม่ใช่เคลิ้มเคล้มแต่ทำสมาธิต้ตองมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ หลายองค์ที่หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยท่านสอนสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปที่วัดไหนวัดไหนท่านพูดแต่คำว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อและท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ เห็นหน้าหลวงพ่อก็เรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนั้นผู้รู้อย่าทําอย่างนี้สอนนั่นจุดสําคัญเลยก็คือถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานจริงๆเราต้องถอดถอนตัวเองจากผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งผู้สงบนิ่งๆเฉยๆมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เคลิบเคลินะ้มไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงตัวนี้เป็นตัวแตกหักเลยเพราะว่าชาตินี้เราจะมีโอกาสได้มาผล น, นิพพานหรือเปล่าบางคนก็ไปวาดภาพนะั้นว่านิาพพานอยู่ไกลแสนไกลเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้บารมีเราไม่ถึงก็ ค, คิดอย่างนี้แหละบารมีก็เลยไม่ถึงสตีเส้นทางไปสู่พระนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนเส้นทางของการเจริญสติสเจริญปัญญา ก่อนจะเจริญสติจเจริญปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นก่อนจิตต้องตั้งมั่นทําไมต้องมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานะเพราะจิตของเราเนี่ยปกติหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเลยตราบใดที่จิตเราไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายไม่สามารถเห็นความจริงของจิตใจได้ คำว่าจเจริญปัญญานั้นก็คือการที่เราสามารถเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจนะถ้าเราเรียนความจริงของกายของใจได้เราจะพบในความจริงของกายความจริงของใจคือไตรลักษณ์คือไตรลักษณนะ์ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหินมักเปงไปกราบหลวงปู่เทศใครเคยได้ยินชื่อท่านบ้างไหมหลวงปู่เทศเทศหลังสีน่ารักมากเลยพระฉั้นเลิ่องคงหนึ่งเลยคนรุ่นเราลืมท่านละ ในหลวงไปถามหลวงปทธเท์ว่าอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาหลวงปู่เทศกถวายมิสัชนาที่สุดของศีลก็คือเจตนางดเม้นการทำบาปอกุศลต้องเจตนานะถ้าไม่ได้เจตนาเช่นอายุ150าปีสมมตินะ แกงหงมเหือบร้หปีเป็นชั่วใครไม่ไหวแล้วบอกว่ารักษาศีลไม่ได้เป็นชั่วกใครอันนี้ไม่ใช่คนมีศีลหมายถึงว่ามีโอกาสทำชั่วก็ไม่ทำงดเว้นซะเนี่ยที่สุดของศีลนะก็คือเจตนา ง, งดเว้นมีโอกาสชั่วก็ไม่ชั่วที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคำว่าอัปปนาสมาธิของหลวงปู่เทศเนี่ย จะแตกต่างกับคำว่าอัปนาสมาธิที่พูดกันทั่วๆไปทั่วๆไปถ้าจิตสงบแน่วลงไปนะบางทีลืมเนื้อลืมตัวก็บอกว่าได้อัปปนาสมาธิ light and light and light and light and light. คําว่าอัปปนาสมาธิของโลภุเทศเนี่ยจิตตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโลภุเทศไม่เรียกว่าสมาธิเลยท่าเรียกว่าฌานเพยียง้อยเฉยๆเ น, นี่ยสมาธิช น, นิดนี้เป็นสมาธิอาภัพมากสมาธิที่จิตตั้งมั่น การตั้งมั่นเนี่ยตั้งมีสแบบอันหนึ่งเรียกว่าคณิกาสมาธิมันตั้งชั่วขณะในขณะที่เราใจลอยเราเกิดรู้ทันว่าใจลอยนะรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดในขณะนั้นจะเกิดคณิกาสมาธิขึ้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวลอยใหม่ลอยใหม่รู้ใหม่ลอยใหม่รู้ใหม่นะจนมันที่ๆขึ้นมามันเหมือนตั้งได้นานนะสมาธิอันที่สองชื่ออุปจารสมาธินะ จิตจะสงบลงไปนะแล้วก็ตั้งมั่นอยู่แต่ว่ายังมีการทำงานอยู่ภานนยในเอาไว้เดินปัญญาอยู่ข้างไหนก็ได้นะอีกอันนึงตั้งถึงอัปนาเลยถ้าอัปนาขั้นลึกลงไปเนี่ยโลกนี้หายไปทั้งโลกเลยนะร่างกายของเราหายไปหมดเลยเหลือจิตดวงเดียวตั้งมั่นเด่นดวงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เห็นไหมจนถึงอัปนาสมาธิก็ยังรู้ตัวอยู่ไม่ใช่นั่งเราเคลิมขาดสตินะ เพราะนันประเภทนั่งสมาธิแล้วอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะหรือนั่งแล้วออกนอกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เนะี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเราต้องมาฝึกตัวเองให้ได้สมาธิชนิดนี้เมื่อ3าสปีก่อนที่หลวงพ่อบอกนะั้นหาคนที่มีสมาธิชนิดนี้ยากมากเลยตอนหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อสอนเพื่อนๆไว้กลุ่มหนึ่งนะสักสิบคนได้พวกนี้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว หลุดออกจากความคิดได้ตั้งมั่นไดนะ้พาไปหาครูบาอาจารย์นั่งรถตู้ไปด้วยกันเข้าไปบางวัดนะครูบาอาจารย์ท่านจิตไว้ท่านหันกลับมาดูเลยท่านบอกท่านอุทานทนะ่าไปรวมกันมาได้ขนาดนี้ได้ที่ไหนนะมามาได้เยอะขนาดนี้สิบคนท่านว่าเยอะแล้วนะทุกวันนี้สิถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะพบว่าคนที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้ น, นมานับจำนวนไม่ท้วนละ เพาอาศัยที่เราได้ฟังธรรมเรารู้ว่าสมาธิมีสองชนิดนะไม่ใช่สมาธิเคลิ้มเคลิ้มต้องเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตเป็นคนดูนะไม่เฉพาะสายครูบาอาจารย์วัดป่านะที่เมื่อก่อนท่านสอนเขาให้จิตผู้รู้นะครูบาอาจารย์สายอื่นก็มีนะอย่างหลวงพ่อเทียนนะใครเคได้ยินชื่อท่านหลวงพ่อเทียนนะรู้จักหลวงปู่ทูบไหม หลวงปู่ทูบก็มีนะอยู่วัดแครนางเลิงถ้าหลวงปู่เทียนอยู่วัดสนามในหลเงพ่อเทียนท่านสอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเนี่ยวัดสาคัญมากเลยนะถ้าเรารู้ว่าจิตคิดนะเราจะได้ต้นทางของการปฏิบัติหมายถึง อ, อะไรทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดเนี่ยจิตคิดจะดับทันทีจะเกิดจิตรู้ ิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะอัตโนมัติขึ้นมาเลยงั้นเมื่อไร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตก็จะจะรู้เมื่อไหร่จิตหลงไปคิดจิตก็ไม่รู้หลวงปู่ดูลย์ก็สอนอย่างเดียวกันคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็อาศัยคิดใช่ไหมหลวงปู่ดูลย์ตกท้ายว่าต้องอาศัยคิดด้วยนะอาศัยคิดไม่ใช่จงใจคิดหรอกหมายถึงจิตมันมีหน้าที่คิดก็ให้มันคิดไปแต่พอมันคิดไปแล้วเรารู้ทันว่าจิตมันคิดไปจิตรู้จะเกิดขึ้น ถ้าอยู่ๆไปบังคับไม่ให้จิตชิดนะจะเอาจิตรู้อย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นจิตเพ่งไม่ใช่จิตรู้จิตที่ผิดมันมีสองชนิดจิตหลงกับจิตไปเพ่งเอาไว้เผลอไปกับเพ่งเอาไว้จิตที่ผิดตรงข้ามกับจิตรู้เพราะฉั้นถ้าเมื่อไหร่เราจิตมันไหลไปคิดนะเรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิดเราจะได้จิตรู้ขึ้นมา แต่ถ้าไปเพ่งอยู่เรารู้ว่าเพ่งอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้จิตรู้มันจะเพ่งต่อไปเรื่อยๆดั้นจิตติดเพ่งเนี่ยจิตอันตารายที่สุดเลยสำหรับการเดินปัญญาถ้าเพ่งอยู่นะไม่เดินปัญญาจริงอ่ะม่จะนิ่ง yeah. กายก็นิ่งใจก็นิ่งการเจริญปัญญาหลวงพ่อบอกแล้วว่าต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายต้องเห็นไตรลักษณ์อรรของใจถ้าเราไปเพ่งให้จิตนิ่งจิตไม่แส ด, แดงไตรลักษณ์จะไปเกิดปัญญาได้ยังไงนะดังั้นการเพ่งให้นิ่งเนี่ยไม่ใช่สมาธทิที่ถูกต้องนะ สมาธิไว้พักฝ่อนเฉยๆสมาธิที่สําคัญที่จะต้องฝึกขึ้นมาให้ได้จุดแรกเลยถ้าเราอยากได้มากคนนี้ผ่านในชีวิตนี้นะต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้หากรรมฐานมาสักอันหนึ่งวิธีการนะวิธีการหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งคนไหนชอบพุโทโธเราก็พุโทโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนชอบดูท้องของยุกก็ ด, ดูท้องของยุก คนไหนชอบทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับมือไปตามมฐานอะไรก็ได้นะแต่ว่าปรับวิธีนิดหนึ่งไม่ใช่พุโทโธให้จิตนิ่งอยู่กับพุโทโธไม่ใช่หายใจให้จิตไปนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ดูท้องพองยศให้จิตเปนิ่งอยู่ที่ท้องไม่ใช่เดินจงกรมแล้วก็นิ่งอยู่ที่ร่างกายเห็นร่างกายมันเดิ น, นก็เพ่งนิ่งนิ่งไว้ตัวแข็งแข็งปรับนิดเดียวพุโทโธไปแล้วก็รู้ทันจิต ไม่ใช่พูโทโธให้จิตนิ่งแต่พูโทโธเรารู้ทันจิตไปหายใจไปเรารู้ทันจิตดูท้องพองยุบเรารู้ทันจิตการที่เราคอยรู้ทันจิตนี่เรียกว่าจิตตะศิกขาบทเรียนของพระพุทธเจ้าบทเรียนที่สองชื่อจิตตะศิกขาบทที่หนึ่งชื่อศีลตศิกขาบทเรียนที่สองชื่อจิตตะศิกขาการเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องจิตเราจะได้อะไรได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเพื่อจะเอาไว้ใช้เจริญปัญญา เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพุทโทแต่เราไม่รู้ทันจิตเรามาหายใจแล้วเราไม่รู้ทันจิตนะยังไม่เรียกว่าจิตตะศิกขาหรอกนะยังไม่ได้เรียนเรื่องจิตเลยใครเคยได้ยินชื่อคุณแม่จันดีบ้างใครเคยรู้จักไหมเป็นน้องสาวหลวงตามหาบัวภาวนาเก่งมากเลยนะเก่งเก่งไม่ธรรมดาเลยท่านถามหลวงพ่อนะบอกว่าหลวงพ่อภาวนาอย่างไรจิตมาลงที่เดียวกันท่านบอกอย่างนี้ หลวงพ่อบอกตั้งแต่เด็กๆหลวงพ่อหัดอานาปัญสติหลวงพ่อเรียนกับท่านพอลีหายใจนะหายใจเรารู้สึกตัวหายใจแล้วลมมันค่อยสั้นขึ้นสั้นขึ้นทีแรกเราหายใจลึกนะลมไปถึงท้องหายใจไปหายใจไ ป, จไปลมมันค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นใ น, นส่วนมันมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกนี่นิดเดียวแปลสภาพเอาเป็นแสงสว่างเรารู้แสงสว่างอยูม่มีสติรู้แสงสว่างอยู่ถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมา ถ้าจากนั้นถ้าทาอะไรไม่เป็นติดอยู่ตรงนี้ตั้ง22ปีนะได้สมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแต่เดินปัญญาต่อไม่เป็ น, น mm. ท่านก็บอกว่าท้างานก็อันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ทาจากลมหายใจอาจารย์มหาบัวพี่ชายท่านอาจารย์มหาบัวสอนให้ท่านฟุตโถแล้วกำหนดอยู่ที่ปลายจมูกนี่เหมือนกันแล mm. ้วมันก็สว่างขึ้นมาแล้วท่านก็รู้รู้จิตของท่า น, นจิตเคลื่อนหนีไปก็รู้ท่าน นี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะสอนพุทโธหรือสอนหายใจเนี่ยสอนรู้ทันจิตนะบางองค์สอนละเอียดเลยอย่างท่านอาจารย์บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์นี่เขาเอาพิน ญ, ญาท่านมากนะท่านสิ้นแต่ละเออมีมีพลังจิตมากมายรู้อะไรเยอะแยะเลยท่านสอนบอกว่าเวลาบริกรรมพุทโธนะพุทโธใจรู้พุทโธ ร, รู้ใจพุทโธนี่นเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะพุทโธแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองไป แม้ไม่ใช่พุโทโตเป็นนกแก้วนกขุนทองนะพุโทโธพุโทโธไปเถอะแล้ววันหนึ่งเขาแจ้งเองไม่แจ้งหรอกหยิบแจ้งได้ไงก็ทําทไปพุโทโธนิ่งๆถ้าพุโทโธเรารู้เท่าทันจิตใจของตัวเองหายใจเรารู้ทันใจของตัวเองมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นเชน่นเราพุโทโธไปเราหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้จะเกิดตรงนี้ที่หลวงพ่อเตียนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตไปคิดเนี่จะได้ต้นทาง ต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่แปลว่าได้พระโสดาบันนะหมายถึงถึงจุดสตาร์ทที่จะสามารถเจริญปัญญาได้ยังไม่ได้เจริญปัญญายังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยเป็นเรื่องของสมาธิเท่านั้นเองเป็นการปรับจิตปรับใจให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั้นจะหลุดออกจากโลกของความคิดนะจะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความคิดอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งแยกออกมาเนี่ยเราต้องฝึกตัวนี้ให้ได้ ทุกคนต้องฝึกให้ได้นะไม่งั้นโอกาสที่เราจะได้มากผลนิพพานเราก็พูดลอยๆอย่างั้นะเวลาทำบุญทำทานแล้วก็อธิษฐานสาธุนะนิพพานปัจโยโหตุเนี่ยเอาผ้าใยมาถวายหลวงพ่อประโมทขอให้ได้มากผลนิพพานคนละเรื่องเลยไอ้นั่นมันทำทานทำทานจะเอานิพพานไม่ได้นะทำทานก็ได้ผลของทานไปนั่งสมาธิสงบไปแล้วขอนิพพานก็คนละเรื่องอีกนะ เหตุกับผลมันต้องตรงกันนะอยากเจะพ้นทุกข์จริงอยากได้มากผลนิพพานจริงต้องเจริญปัญญานี้การเจริญปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปไม่ได้แต่จะเจริญปัญญาได้ขั้นต้นเลยจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนี่จิตเป็นคนคิดตลอดเลยจะไม่เกิดปัญญาเพราะปัญญานี้ไม่ได้เกิดจากการคิดปัญญานี้เกิดจากการที่เราเข้าไปเห็นสภาวะจริงๆของกายของใจมันทํางาน จนรู้จักเลยว่าความจริงของกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์ด้วยนะบางคนบอกว่าให้นั่งพุโทโธไปแล้วก็จิตสงบแล้วก็ให้ออกมาพิจรารณาร่างกายให้คิดเอาอะไรเงี้ยเป็นมิปัสสนายังไม่เป็นหรอกครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนชัดนะหลวงปู่เทสสอนอย่างนี้เลยมั้ยังคิดพิจารณาอยู่ยังไม่ใช่หลวงพระพุทธก็บอกเลย ท่านบอกเลยสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจหมดความตั้งใจจะให้สงบเนี่ยสมถะนะถ้ายัางตั้งใจอยากสงบอยู่ไม่สงบหรอกวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดจิตเป็นผู้รู้ก็จิตไม่ใช่ผู้คิดเรางั้นพวกเราจุดตั้งต้นอันแรกนะหลวงพ่อให้กันบ้านพวกเราไปฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เคยฝึกแต่ว่าปรับวิธีฝึกซะไม่ใช่ทําเพื่อสงบแต่ทำเพื่อให้รู้ทันเวลาจิตไหลไปคิด พุโทโธพุโทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปนะหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดรู้ทันในที่สุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราก็พร้อมที่จะเจริญปัญญาละนะบางคนพอจิตตั้งมั่นแล้วก็ตั้งอยู่เฉยๆไม่เจริญปัญญามีนะไ ม, ไม่เจริญปัญญาหลวงพ่อเองน่ะตั้งแต่เจ็ดขวบนะนั่งสมาธิแต่เดิมนั่งไม่เป็นนะ่ะนั่งแล้วออกนอกพอสว่างขึ้นมาเนี่ย เราอยากรู้อยากเห็นอะไรนะเราตามแสงออกไปจะไปดูสวรรค์ไปดูอะไรนะัเที่ยวไปดูอะไรเนะี่ยซึ่งมันเป็นนิมิต ท, ทั้งหมดเลยนะไม่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแต่ว่ามันทําให้เรากลัวบาปไม่กล้าทําชั่วนะอยากทําบุญทําอะไรองนี้แล้วต่อมาก็พบว่าแมสมาธิแล้วจิตไหลออกข้างนอกนี่นะถ้าเราไปเจอผีเราจะทํำยังไงเจอเทวดาไม่กลัวนะกลัวเจอผีงั้นต่อไปนี่ไม่ให้จิตออกนอกนะตั้งแต่เด็กนะคิดอย่างนี้นะ หายใจไปหายใจไปแล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกนะจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ขึ้นมาแพอจิตเป็นผู้รู้แล้วไปต่อไม่เป็นก็อยู่อยู่แค่นั้นน่ะมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปผู้รู้ก็เสื่อมกลายเป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านอีกก็มาทําสมาธิใหม่จิตก็ตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นอีกวนเวียนอยู่แค่นี้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านอวิจชันเราก็ไปฝึกมานะเหมือนเราเอาน้ําไปใส่ช่องฟรีซให้เป็นน้ําแข็ง พอน้ำเป็นน้ำแข็งแล้วเราก็เอาออกจากช่องฟริซมาตั้งไว้ให้มันละลายไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำแข็งนะเดี๋ยวพอมันละลายหมดเราก็ไปใส่ช่องฟริซให้มันเป็นน้ำแข็งใหม่นะท่านท่านวิจารณ์ว่าถ้าจิตตั้งมั่นแล้วไม่เดินปัญญานะก็คือแบบนี้ทำอะไรโง่โง่อยู่งั่นเองไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉนั้นถ้าเราทําน้ําแข็งขึ้นมาได้แล้วเราต้องใช้ประโยชน์จากน้ําแข็งแล้วเรามาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาได้แล้วเราก็ใช้จิต ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละไปเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญานะั้นบางคนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะไม่ยอมเดินปัญญาบางคนไม่ยอมเดินปัญญามจะรู้ตัวอยู่เฉยๆตรงนี้ต้องช่วยมันตรงนี้แหละคืออูบายที่ครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านบอกให้คิดคิดพิจารณานะออกจากสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วนะมาคิดพิจารณาร่างกายนี่ร่างกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก แต่ละส่วนแต่ละส่วนนะไม่สวยไม่งามนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตวนะ์อะไรอย่าคิดไปคิดตรงนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดคําว่าวิปัสสนาเนะี่ยมาจากคาว่าวิคํานึ่งคำว่าปั ส, สนะคำหนึ่งปัสนะเพาะการเห็นวิแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงนะวเนนิเห็นถูกต้องเห็นอย่างวิเศษเลยงาวิปัสสนานะคือการเห็นความจริงไม่ใช่การคิด ถ้าคิดไม่ใช่วิปัสนาคิดก็เรียกว่าวิตกนะคาว่าคิดมันเป็นคาว่าวิตกคำว่าตรึกคำว่าตรองวิตกวิจารส่วนคำว่าวิปัสนานะเห็นตามความเป็นจริงนีพอจิตของเราตั้งมั่นแล้วนะบางคนจิตไม่เดินปัญญารู้ตัวอยู่เฉยนิ่งอย่างนั้นนะพวกนี้ต้องช่วยมันคิดหลวงพ่อพุธก็เคยสอนไว้บอกว่าบางคนที่จิตไม่เดินปัญญานะให้คิดพิจารณาร่างกายไปเลย เป็นการนำร่องให้จิตหัดเดินปัญญาเหมยังไม่ใช่การเดินปัญญานะแต่เป็นการนำร่องให้จิตหัดเดินปัญญานี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนชัดเปรี้ยบเปรียร้ยบเลยถูกต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทตรงกันเปี้ยหมดเลยนี่เราหัดภวนานะจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมันไม่ไม่คืนได้เดินปัญญาไม่ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเนี่ย ก็ช่วยมันคิดผมไม่ใช่ตัวเรานะผมเป็นวัตถุเป็นก้อนดินอย่างหนึงนะ่งไม่ใช่ตัวเราเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็แปลสภาพไปเดี๋ยวก็หลุดล่วงไปกลายเป็นดินไปอีกอะไรเี้ยคิดไปเป็นการหัดให้จิตหัดมองไตรลักษ์เป็นการฝึกจิตให้หัดมองไตรลักษ์เท่านั้นเองยังไม่ใช่วิปัสสนาะนี่พอจิตมันเคยมองกายมองใจให้เห็นว่าเป็นไตรลักษ์แล้วเนี่ย ต่อไปมันเห็นเองตรงที่มันเห็นเองนี่แหละมันถึงจะเป็นวิปัสนานี่บางคนไม่ต้องฝึกบางคนพอจิตตั้งมั่นนะขันแยกตัวออกไปเลยร่างกายอยู่ส่วนร่างกายเลยนะความรู้สึกสุขทุกข์ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากความจําได้หมายรู้แยกออกไปต่างหากสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วแยกออกไปต่างหากจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแยกออกไปอยู่ต่างหากขันมันแยกออกจากกันใครได้ยินคําว่าขันห้าไหม ใครไม่รู้จักคําว่าขันห้ายกมือนะยกมือเลยไม่ต้องอายนะหลวงพ่อจะได้อธิบายคําว่าขันห้าไม่อย่าไปตกใจว่าเป็นชื่อประหลาดคําว่าขันแปลว่ากองเท่านั้นเองนะกองภาษาฝรั่งคือ division นะกองสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราตัวเราสมมติเป็นเทียบกับกลมหนึ่งกลมประกอบด้วยห้ากองนะกองที่หนึ่งก็คือร่างกายเรียกว่ารูป กองที่2คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เรียกว่าเวทนากองที่3คือความจําได้ความหมายรู้นะกองที่4คือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายกองที่5ก็คือความรับรู้ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าจิตนั่นเองนะสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือไอ ห, ห้ากองนี่นเองการเจริญปัญญานะั้นต้องมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะออกมาเป็นส่วนส่วน แยกเป็นหกล่องนี้ก็ได้หรือแยกเป็นอายตนะ6ก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้แยกเป็นธาตุสิปอย่างก็ได้นะแยกเป็นอินรียี่อย่างก็ได้แล้วแต่จะแยกแยกง่ายๆที่พวกเราได้ยินบ่อยที่สุดที่แยกเป็นขันห้ามีร่างกายมีความรู้สึกสุขทุกมีความจำมีความคิดปรุงแต่งมีความรับรู้นะความรู้สึกรับรู้บางคนซึ่งเคย จเจริญปัญญามาแล้วนะถ้าเราชาวพุทธเราจะรู้ว่าการเวียนว่ายไตเกิดนั้นมีจริงไม่ใช่ต้องเชื่อแต่มันดูมันหัดภาวนาไปมันก็เห็นเองการเวียนว่ายาตเกิดนั้นมีจริงๆคนไหนเคยฝึกอบรมเจริญปัญญามาแล้วแต่อดีตทันทีที่จิตตั้งมั่นขึ้นมานะขันจะแยกตัวออกไปร่างกายจิตใจนี่จะแยกออกเป็นส่วนๆเลร่างกายอยู่ส่วนร่างกายเลยความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งเลย ความจำก็แยกไปส่วนหนึ่งความคิดแยกไปส่วนหนึ่งจิตแยกกไปส่วนหนึ่งมันแยกเองอัตโนมัติเลถ้าแยกได้แล้วเนี่ยนะถึงจะเจริญปัญญาได้จริงถึงจะเห็นใจรักได้เราจะเห็นว่าร่างกายก็แสดงใจรักความรู้สึกสุขทุกข์ก็แสดงใจรักความจําก็แสดงใจรักความปรุงดีปรุงชั่วเช่น ค, ความโลภความโกรธความหลงก็แสดงใจรักจิตก็แสดงใจรักเดี๋ยวก็ไปรู้อารมณ์ที่ตาเดี๋ยวก็ไปรู้อารมณ์ที่หูเดี๋ยวก็ไปรู้อารมณ์ที่ใจ เราลองดูของจริงขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยรู้สึกไหมสังเกตไหมว่าเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังไม่กี่คำํำสลับไปคิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนึกออกไหมนี่แหละจิตมันเกิดดับตรงที่ตั้งใจดูนะเนี่ยมองเห็นจิตเกิดที่ตาในขณะที่ตั้งใจฟังสังเกตไหมหน้าหลวงพ่อจะเบลอไปเราจะเห็นไม่ชัดแล้วเพราะาจิตไปเกิดที่หู ฟังอยู่สองสามคำนะจิตไปเกิดที่ใจคือจิตนี้ไปคิดเนจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหก ท, ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเหล่านี้เป็นมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น น, ะนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาหาเจริญปัญญามาดูความจริงนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคืออาจารย์มหาบัวรู้จักไหมคนรุ่นหลังไปเรียกท่านว่าหลวงตาบัวท่านท่านเรียกตัวท่านไม่เป็นไรนะ รุ่นก่อนจะเรียกท่านาท่านอาจารย์พระมหาบัวอจารย์มหาบัวนะท่านสอนบว่าถ้าแยกธาแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรื่องเจริญปัญญาสอนอย่างนี้นะเยวยังแยกร่างกายออกส่วนหนึ่งไม่ได้จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากแยกไม่เป็นอย่ามาอวดเรื่องเดินปัญญายังเดินไม่ได้จริงหรอกเพราะฉะนั้นะเรามาฝึกนะขั้นแรกฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูก่อน ขั้นที่สองมาฝึกแยกธาตุแยกขันธ์วิธีฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ทำไงเอาสรุปง่ายๆเดี๋ยวก่อนจะลืมวิธีฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยก็ใช้กรรมฐานอะไรก็ได้พุทโธก็ได้หายใจก็ได้แล้วจิตไหลไปเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ไหลไปจิตไหลไปไหนจิตชอบไหลไปคิดทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดตั้งมั่นขึ้นมาเลยนี่ฝึกนะให้มีจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้อง ตัดจากนั้นมาฝึกแยกแยกขันแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆพระพุทธเจ้าสอนวิธีขจัดความเห็นผิดว่ามีตัวเราด้วยวิธีที่เรียกว่าวิพัชวิธีวิพัชวิธีวาแหวนสระอิพอสำเภาแม่นอากาศชอช้างวิพัชะใส่ชอช้างสองตัวก็ได้วิพัชวิธีเป็นการทาลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราด้วยการแยกออกเป็นส่วนๆ ยกตัวอย่างมีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีอยู่จริงๆเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆเราจะพบว่าลูกล้อออกไปอยู่ส่วนหนึ่งลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมถอดพวงมาลัยออกไปพวงมาลัยเป็นรถยนต์ไหมก็ไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมกันชนไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์เบาะไม่ใช่รถยนต์นะเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์แต่สิ่งเหล่านี้มารวมกันแล้วเกิดรถยนต์ขึ้นมา สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันถ้าเราจับถอดออกมาเป็นส่วนๆนะเหมือนคล้ายๆถอดรถยนต์เป็นส่วนๆนั่นแหละเราจะพบว่าตัวเราหายไปพระโสดาบันเนี่ยคือท่านผู้เห็นความจริงนะมีปัญญาเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มนะีท่านทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้วิธีที่ท่านทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้คือถอดสิ่งที่เป็นตัวเราเนี่ออกมาเป็นชิ้นๆเป็นกล่องๆห้ากล่องนั่นแหละเรียกว่าขันห้านะ ม, มีถอดได้หลายแบบนะถอดเป็นอายตนะก็ได้เป็นธาติเป็นอะไรก็ได้ถอดได้หลายแบบนี้วันนี้หลวงพ่อมีเวลาที่เดียวพูดถอดแบบขันท่าเท่านั้นนะวิธีที่เราจะหัดแยกให้ขันท่าแยกออกเป็นส่วนๆทํำยังไงเรานั่งอยู่อย่างนี้นะอย่าใจร้อนนะอย่ารีบร้อนนั่งไปแล้วค่อยๆดูไปร่างกายมันนั่งอยู่ใจของเราเป็นคนดูนะค่อยๆฝึกเลยนะร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างหายใจหายใจออก ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูนะค่อยๆฝึกไปเรื่อยเห็นร่างกายมันทํางานไปใจเป็นคนดูฝึกให้ได้อย่างนี้ฝึกอย่างนี้นะต่อไปกายกับใจมันจะแยกออกจากกาันจะเพราะว่ากายก็อยู่ส่วนกายนะจิตก็อยู่ส่วนจิตมันคนละอันกันเพราะฉะั้นเรานั่งอยู่ในนี้ฟังหลวงพ่อเราเกิดความเข้าใจพยักหน้าเราเห็นร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูนะรู้สึกตัวถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี้ย ใจจะไม่เป็นคนดูหรอกใจจะหลงไปคิดแต่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่พอพยักหน้านะั้นมเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูขึ้นมาเห็นร่างกายขยับไม้ขยับมือนี่ใจเป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยขันมะเกาตรงนั้นนะรู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกให้เยอะๆนะแล้วนั่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนอิริยบทนั่งไปให้นานเลยนะในการซ้อมขั้นแรกๆเนี่ยต้องยอมทรมานหน่อยนะนั่งอยู่นิ่งๆนั่งไปพักหนึ่งก็ปวดเมื่อยมีไหมนั่งแล้วเมื่อยไหม นั่งเก้าอี้ตัวละแสนก็เมื่อยนะเพราะความเมื่อยไม่ได้อยู่ที่เก้าอี้อยู่ความเมื่อยอยู่ที่ร่างกายมันอยู่ในอิริยาบถเดิมซ้ําๆความทุกข์มันดิบคันเนมันเมื่อยเราค่อยๆสังเกตไปนั่งทีแรกไม่เมือ่อยความเมื่อยมาทีหลังเพราะงั้นความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนแล้วความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทีแรกหัดแยกกายกับใจนะร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูนะร่างกายขยับใจเป็นคนดูนั่งไปนานๆเนี่ย ความเมื่อยมันเกิดขึ้นเราเห็นเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเมื่อยเนี่ยแอบเข้ามาทีหลังความเมื่อยนี่เรียกว่าทุกขเวทนา เ, นเป็นอีกขันหนึ่งนะเรียกว่าเป็นเวทนาขันเป็นทุกขเวทนาเราจะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนี่เราแยกได้สมขันละนะแต่ขันห้าเราแยกอย่างนี้หัดทีแรกก็แยกไกายกับใจแล้วก็นั่งนิ่งๆกันนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะก็ดูไปความปวดความเมื่อยเป็นของแปลกปลอมมาทีหลัง ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจแยกได้สามขันแนละ้เพราะมันปวดมันเมื่อนานๆนะใจเริ่มกระสับกระส่ายเอนั่งสมาธินานจะเป็นอมพาธไหมชักกังวล น, นะหรือเดินจงกรมมากๆเดี๋ยวจะพิการหรือเปล่าเดี๋ยวขาจะเด้งทำอะไรสักอย่างหนึ่งซ้ำๆนะก็พอเวทนาเกิดใจมันจะเริ่มทุรนทุรายความปวดเมื่อยเกิดขึ้นที่ร่างกายความทุรนทุรายเกิด ข, ขึ้นที่จิต นึกออกไหมเรานั่งนานๆนะสมมติเรานั่งนิ่งๆไปเรื่อยๆหรือเราเดินจงกรมเดินไม่เลิกเลยเดินจนมันปวดมันเมื่อยนะนั่งนานๆเดินนานๆเลยนี่พอมันปวดมันเมื่อยเราก็ดูไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยหัดดูอย่างเงี้ยดูไปดูไปนะมันเมื่อยมากเข้ามากเข้านะจิตมันเริ่มกงนนังวลแะมันเริ่มทุรนทุรายขึ้นมาโอ้นั่งนานอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นอัมพาตไปเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวจะอย่างง้นอย่างเงี้ยนะ หรือเดินจงกรมนะเดินมาตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทํางานนะมันเดินจนดึกอะเนี้ยใจเริ่มทุลนทุรายแล้วเห็นไหมร่างกายเป็นคนเดินร่างกายเป็นคนนั่งนะร่างกายไม่ได้บน่นนะความปวดความเมื่อยเกิดที่ร่างกายนะร่างกายก็ไม่บน่นะจิตนั่นแหละมันมาบ่นแทนจิตมันมากังวลแทนเราสังเกตให้ดีความปวดเมื่อยอยู่ที่ร่างกายความกังวลอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นความปวดเมื่อยกับความกังวลเนี้ยคนละอันกัน ความกังวลก็ไม่ใช่ร่างกายด้วยนะแล้วมันก็ไม่ใช่จิตด้วยถึงมันเกิดขึ้นที่จิตนะแต่มันมาทีหลังทีแรกจิตไม่ได้กังวลนะความกังวลแอบเข้ามาทีหลังนี่เราแยกได้สี่ขันแล้วนะขันที่หคือสัญญาขัะนะเว้นไว้ก่อนยังไม่ต้องเรียนนะเรียนยากเอาสี่ขันนี้ก่อนแยกสี่ขันนี้ได้ก็พอลนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึง่งความปวดความเมื่อยนะคือเวทนาอยู่ส่วนหนึง่งนะความปรุงแต่งของจิต เช่นความกังวลอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งถ้าเราแยกได้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยนะเพราร่างกายไม่ใช่ตัวเราความปวดความเมื่อยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความกังวลใจไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาใครเห็นว่าความกังวลเป็นคนบ้างมีไหม ไปหาจิตแพทย์เลยนะถ้าเห็นอย่างนะั้นเะห็นไหมพอเราแยกขันออกมาได้เนะี่ยมันแสดงใจรักทันทีเลยที่ขันเป็นแยกเราะงั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนเนี่ยถ้าแยกคาดแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาอวดเลยว่าเดินปัญญาไม่ได้เดินปัญญาจริงหรอกอย่ามานั่งคิดว่าร่างกายเป็นปฏิกูลสุภะยังไม่ถึงขั้นเดินปัญญานี่จริงหรอกนะมันแค่นำร่องให้จิตหัดดูใจรักเท่านั้นเองแต่จิตต้องตั้งมั่นให้ได้ก่อนพอจิตตั้งมั่นแล้วขันถึงจะแยกได้ เพราะนที ug, e ่หลวงพ่สอนอันแรกว่าจิตต้องตั้งมั่นนะนะเพื่อขันจะได้แยกได้แยกร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายความสุขทุกข์อยู่ส่วนความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็อยู่ส่วนกุศลอกุศลจิตที่เป็นคนรู้ก็อยู่ส่วนคนรู้แล้วมันจะเห็นว่าทั้งหมดนี้แหละเกิดดับร่างกายก็หายใจออกแล้วก็ดับหายใจเข้าแล้วก็ดับยืนแล้วก็ดับเดินแล้วก็ดับนั่งแล้วก็ดับนอนแล้วก็ดับเปลี่ยนไปเรื่อยๆรืความสุขความทุกข์ทางกายเกิดแล้วก็ดับ ความสุขความทุกข์ทางใจเกิดแล้วก็ดับตัวเวทนาเนี่ยเกิดได้สองที่เกิดที่ร่างกายก็ได้เกิดที่จิตก็ได้แต่มันไม่ใช่กายมันไม่ใช่จิตนะเป็นอีกขันหนึ่งต่างหากตัวความปรุงของจิตเรียกตัวสังขารเช่นความรอบความโกรธความหลงนะมันเกิดที่จิตแต่มันก็ไม่ใช่จิตอย่างความโกรธใครเห็นความโกรธเป็นคนบ้างมีไหมใครเห็นความโกรธเป็นคนต้องเพี้ยนละเห็นคนโกรธไหม เห็นคนโกรธได้ใช่ไหมแต่ไม่เห็นความโกรธเป็นคนถ้าเมื่อไหร่เราแยกได้ว่าความโกรธอาบจิตเป็นคนละอันกันเนีเราจะรู้เลยว่าความโกรธไม่ใช่คนหรอกะเนี่ยแยกไปเรื่อยนะในที่สุดจะแยกไปดูทีละตัวทีละตัวหรือดูตัวจิตจิตเดี๋ยวก็ดูจิตเดี๋ยวก็ฟังจิตเดี๋ยวก็คิดจิตไม่เที่ยงจิตจะดูหรือจิตจะฟังหรือจิตจะคิดก็ไม่ได้เลือกนะจิตมันเลือกของมันเองสังเกตไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันเราเจตนาไหม ไม่ได้เจตนานะมันทํางานได้เองถ้งหาหัดดูของจริงไปสิจะเห็นใจรักนะกระทั่งจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักนะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดหมุนไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่เราเห็นขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะนั่นแหละเป็นทางที่จะสู่มรรคผลสู่มรรคผลใครเคยอ่านอนัตตลักษณะสูตร ใครเคยอ่านบ้างหรือใครเคยสวดเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีนะพระเจ้าถามปัญจวัคคีดูกระภิกสูตรทั้งหลายรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีก็พิจารณนาะแล้วก็ตอบไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราหรือไม่ควรจะเป็นตัวเราไม่ควรเป็นตัวเราเป็นอนัตตา เวทนาล่ะคือความรู้สึกสุ ข, สขทุกข์เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาสัญญาคือความจําได้หมายรู้น่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารคือความปรุงดีพลุงชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือตัวจิตนั่นเองจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระปัจจวัคคีย์นี่แหละได้เรียนเรื่องขันห้าคนแรกเลย เรียนเรื่องขันห้าคนแรกว่าขันห้าเป็นไตรลักษณ์นะท่านก็บรรลุพระอรหันต์กันเพราะท่านเห็นความจริงแล้วขันห้านี้ไม่ใช่ของน่ายึดถือเลยขันห้าไม่ใช่ของดีของวิเศษขันห้าซึ่งเราเคยหลงผิดว่ามันเป็นตัวเรานั้นในความจริงไม่ใช่ของดีของวิเศษขันห้ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของที่ไม่ใช่ตัวเราคือไม่อยู่ในอำนาจ บ, บับงคับบังคับร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ไหมบังคับจิตใจว่าจงมีแต่ความสุขได้ไหม บังคับจิตใจว่าจงมีแต่ความดีได้ไหมบังคับจิตใจว่าจงฟังอย่างเดียวห้ามคิดได้ไหมทำอะไรไม่ได้สักอย่างดูจากของจริงเราจะดูของจริงได้นะถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแล้วเห็นขันมันแยกออกไปแล้วก็ดูเลยขันแต่ละขันนั้นแสดงใจหลักถ้าเราเห็นได้นะในเวลาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะต้องได้อะไรบ้างถ้าไม่ผิดปกตินะ ผิดปกติมีสองจำพวกพวกเลวผิดปกติคือพวกทำอนันตริยกรรมฆนะ่าพ่อฆ่าแม่อะไรนีฆ่าพระลรหันเราไม่รู้ใครเป็นพระลรหันนะฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี้ยอนันตริยกรรมเห็นเห็นทำสังฆเภทศทำสงแตกแยกพวกเราทำไม่ได้คารวาะทำให้สงแตกแยกไม่ได้แค่ยุให้สงแตกแยกได้นะยุให้พราตีกันได้แต่ว่าไปทำสงแตกแยกเองไม่ได้สงเป็นคนทำจากแตกแยก งั้นเรามีโอกาสทําอนันตริยกรรมอยู่สองสามข้อเองนะคือฆ่าพ่อข่าแม่หรือไปทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเงี้ยเราไม่มีทางนะเราไม่มีทางกทำอันนี้เรียกว่าเรวมากกว่าปกติกนะ็จะไม่บรรลุมากผลอีกพวกหนึ่งดีมากกว่าปกติก็ไม่บรรลุนะพวกนี้อยากเป็นพระพุทธเจ้านะได้หวังพุทธภูมิหน่อเนี้ยถึงเจริญสติปัฏฐานทำมิปัสนากรรมฐ า, านไปนะ ขนาดพระพุทเจ้ารับรองว่าเนี่ยตราบใดที่มีผู้เจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระอราหารันต์ท่านสอนอย่างนี้นะแล้วผู้เจริญสติปัฏฐานนะเวัน7เดือน7ปีอะไเนี่เป็นพระอราหันต์หรือพระอนาคามีท่านสอนขนาดนี้นะนี้ถ้าเราหวังพุทธภูมิซะมันก็ไม่เอามักผลนะมอนถ้าไม่เลวเหลือวิสัยกับดีเหลือวิสัยนะคนกลางๆงอย่างพวกเรานี่ลองเจริญสติแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อย ถาบุญบารมีชาตินี้เราพอแล้วนะอาจจะได้บ้างหรอกโสดาสกตาคาไม่เหลือวิสัยที่จะทํานะแต่จะอนาคาเนี่ยคาราวะายากละเพราะคาราวาะพระนาคาเนี่ยท่านละกามได้ท่านเห็นว่ากามเป็นโทษพวกเราเป็นคาราวาะเราไม่เห็นว่ากามเป็นโทษเราเห็นแต่กามมาคุณเคยได้ยินไหมกามมาคุณไม่ได้ยินกามมาโทษสักทีเลยมีแต่กามมาคุณ แต่ถ้าอยากจะเป็นฆราวาสนะได้สักการะคาแล้วเป็นฆราวาสเนะี่ยไม่ได้มีโอกาสบวชถือศีลแปดไหมนะมันจะเห็นการมโทษมากขึ้นนะถ้าลําพังขั้นต้นๆเ น, น, นี่ยศีลห้าก็พอแล้วแต่ต้องถือจริงๆนะถือขยักขย่อนถือบ้างไม่ถือบ้างอะไรเนื่ออ่อนแอเกินไปจิตใจอ่อนแอเพราะงั้นจะเป็นจะตายนะรักษาศีลห้าไว้อย่างน้อยต้องมีศีลห้าไปก่อนนะเป็นพื้นฐาน ถัจากมีศีลห้าแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูะจะพุทโธไปจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตตั้งมั่นแล้วหัดแยกธาตุแยกขั น, นค่อยๆนั่งไปเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูนั่งไปนานๆเห็นความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตด้วยเป็นอีกขันหนึ่ง ปวดเมื่อยมากๆแล้วจิตชักกงังวลจิตชักทุรนทุรายนะเห็นความทุรนทุรายของจิตนี่อีกขันนึ่งนะจิตเป็นคนดูนะเป็นอีกขันนะหัดแยกพอแยกขันเป็นแล้วจะเห็นในแต่ละขันนะั้นะไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเห็นเองนะไม่ต้องคิดเอานะถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาทางเดินที่พระริยเจ้าทั้งหลายท่านผ่ากันเดินมาท่านก็เดินกันมาอย่างนี้นะพวกเราฟังเอาไว้นะไม่ใช่ว่าคารวะต้องฟังแต่เรื่องทําทานรักษาศีล นั่งสมาธิอรอย่างเสมัยพุทธกาลใครเคยได้ยินชื่ออนาถินทิกะมั้งอนาถินทิกะเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวสําหรับคนอนาถานะีมีข้าวเลี้ยงคนยากคนจนอนาถินทิกะเนี่ยเป็นพระโสดาบรนนะแล้วก็อยู่กับพระพุทธเจ้าใกล้ชิดมากเลยนะไปเข้าวัดประจําเลยแต่เข้าวัดเราเกรงใจพระพุทธเจ้านะไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรกลัวจะรบกวน ไปแล้วก็คอยคิดแต่จะบำรุงวัดอุปถากต์อะไรเงี้ยไม่เคยฟังธรรมะที่ประนิดนะจนวันหนึ่งใกล้จะตายแลนี่มนุ์พระสารีบุตรไปเทศพระสารีบุตรก็พิจารณาว่าจะสอนเรื่องอะไรดีท่านก็ตกลงใจสอนเรื่องขันห้าให้กับอนาถปิณฑิกะอนาถปิณฑิกาได้ฟังขันห้าตอนใกล้จะตายแล้วฟังเสร็จร้องไห้เลยนะก็ตอบว่าพระสารีบุตรทําไมท่านเพิ่งจะสอนผม ท่านควรจะสอนผมมานานแล้วนะเรื่องนี้ไม่ดูตัวเองนะว่าไม่ยอมถามพระอยู่ๆให้พระสอนนะพระก็ไม่รู้รู้หรือเปล่าอะไรอย่างนีนะ้ไปต่อว่าบอกว่าทําไมท่านเพิ่งจะมาสอนน่าจะสอนนานแล้วนะเรื่องขันท่าเนี้ยนะเป็นเรื่องสําคัญอย่างนี้ถ้าผมรู้อย่างนี้นะผมคงดีกว่านีนะ้แต่ว่าผมไม่ทันแล้วล่ะผมใกล้จะตายแล้วขอรัตนายอย่างหนึง่ง ขอพระคุณเจ้าเนี่ยช่วยเทศเรื่องขันห้าให้คารวาสฟังบ้างเถอะนี่หลวงพ่อก็สืบทอดปณิธานภาษาริบุตรประเทศให้ฟังนะอันนี้ไม่ใช่เรียนแต่ขันห้าแล้วปฏิบัติยังไงไม่รู้นี่สอนจน ก, กระทั่งว่าเห็นขันแต่ละขันแยกออกมานะจิตเป็นคนดูเห็นขันแยกออกมาแล้วขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์มันจะตรงกับที่พระเจ้าสอนปัญญาวัคขีนั่นแหละจะเห็นรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้าเห็นได้นะวันหนึ่งก็พ้นทุกได้นะยากไปไหมคนที่ไม่เคยฟังเลยยากไปไหมถ้ายากนะมีวิธีนะเอเขามีซีดีแจกเปล่าลวงพ่อไม่รู้ทีมีใช่ไหมมีซีดีแจกให้นะพยายามไปฟังฟังหลวงพ่อเทศครั้งแรกๆเนี่ยงงแทบทุกคนละ่ะเพราะเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแท้ๆนะ งันเอาซีดีไปฟังฟังแล้วฟังอีกนะคงไม่โง่เกินหรอกฟังไปช่วงหนึ่งก็จะเข้าใจขึ้นมาบางบ้านขึ้นรถนะก็เปิดซีดีหลวงพ่อในรถเลยลูกเล็กๆได้ยินไม่ได้จดเจตนาให้ลูกฟังนะเจตนาจะฟังเองนะวันหนึ่งขับรถแล้วใจร้อนโมโหขึ้นมาคนมันปากอะไรเงี้ยโมโหขึ้นมานะลูกมันบอกว่าแม่โกรธแล้วรู้ไหมแม่ มันร้ายขนาด น, นี้นะนัะ่นไปฟังซีดีหลวงพ่อนะไปฟังเข้าไปฟังเอานะให้โอกาสแก่ตัวเองบ้างมันอย่าไปบ่นอย่างอนาถิปินทิกะทีหลังว่าไม่เคยได้ยินนะอันนี้เท่า น, นี้ก็พอละสังเกตไหมจิตใจขณะ น, นี้มีความสุขหรือมีความทุกข์รู้สึกไหมใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซิ ดูจิตเป็นแล้วรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนี่แหละดูเป็นแล้วสังเกตไหมความสุขที่มีอยู่เมื่อกี้เริ่มลดลงแล้วมันเริ่มนิ่งขึ้นตัวออกไหมมันเริ่มนิ่งๆแล้วมองเห็นความนิ่งของจิตไหมจิตนิ่งเรารู้ว่านิ่งก็ใช้ได้ละเรียกว่าดูจิตเป็นเราไม่ได้ฝึกให้จิตนิ่งแต่เราฝึกจนกระทั่งเรารู้ว่าจิตขณะนี้เป็นอย่างไร จิตขณะนี้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตขณะนี้มีความทุกรู้ว่ามีความทุกข์จิตขณะนี้โลภรู้ว่าโลภจิตขณะนี้โกรธรู้ว่าโกรธจิตขณะนี้หลงรู้ว่าหลงรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะให้เห็นไตรลักษณ์จิตที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความทุกขก็ไม่เที่ยงจิตที่โลภที่โกรธที่หลงก็ไม่เที่ยงจิตที่กังวลจิตที่อิจฉาจิตที่กลัวนะก็ไม่เที่ยง จิตที่ดีใจจิตที่เสียใจก็ไม่เที่ยงหัดดูปไปนี่แหละดูไตรลักษณ์นะเป็นวิธีทํากรรมฐานที่ง่ายๆสําสหรับคนในเมืองซึ่งนั่งสมาธิไม่เป็นถ้านั่งสมาธิได้ออกจากสมาธิมามาดูกายมันแยกกายเป็นส่วนๆไปนะถ้าทําสมาธิไม่ได้ก็ดูจิตใจไปถ้าเราทําสมาธิมากๆออกจากสมาธิจิตนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูก็นิ่งอยู่ยงั้นแหะ งั้วิธีหัดดูจิตดูใจนั่นเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนเมืองคนอย่างพวกเรานี้แหละพวกเราเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทั้งวันเดี๋ยวก็เห็นรูปเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวก็ได้กลิ่นเดี๋ยวก็ได้รสเดี๋ยวก็ทบสัมผัสทางกายเดี๋ยวใจก็ชิดฟุ้งไปทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตเราก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ย<ๆ>วร้ายเราดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไป มันสุข ก, ก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันร้ายก็รู้นะในที่สุดปัญญามันจะเกิดเลยมทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิน้นถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าอย่างเราเห็นจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ดีจิตที่ชั่วเกิดแล้วดับถึงวันหนึ่งจิตมันปิ๊งขึ้นมานะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเพราะนั้นดูของจริงอย่าไปนั่งคิดเอานี่สอนแบบเทย่ามให้เรานะ ไม่มีกระเป๋าเรียกว่าเทกระเป๋าให้นะนี่เรียกว่าเทย่ามให้แล้วนะไปทำเอาเองเชิญใครจะส่งคนบ้านคใครใจลอยฟุ้งซ่านบ้างขนาดเนี้ยส่งกันได้นะว่าไปก็หลวงพ่อบอกว่าให้พุทโธใจไหลไปคิดเรารู้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงร ะ, ระยะหลังๆค่ะหนูรู้สึกว่าทำแค่นั้นมันเหมือนว่ามัน พุโทโธเหมือ น, นกแก้วนกขุนทองอก็เลยรู้สึกว่าต้องมีฐานที่ตั้งของจิตก็ตั้งไว้ที่ที่ตรงกลางหน้าอกพุทแต่พุทพอหายใจเข้าพุทโทก็เราก็โทออกนะแต่ว่ามันก็ดีแต่ว่าเกิดติดปัญหาอยู่นิดนึงบางทีหาลมหายใจไม่เจอแล้วไปตอบไม่ถูกอะคะ่ะเราเอาจิตเราไม่ได้ลมหายใจพอจิตสงบจิตประณีตขึ้นลมก็หายเป็นธรรมดานะลมหายใจหายไปหมดเลย ก็ เ, เอาความรู้สึกต่อนะพอลมหายไปแล้วก็เอาใจคนโบราณเก่งนะเขาเรียกลมหายใจพอลมหายนะเข้ามาที่ใจเลยเข้ามารู้จิตของเราต่อที่มันว่างๆสบายเราต้องบริกรรมพุทโธไปต่อบริกรรมต่อไปถ้าเราจะใช้พุทโธนะอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อท่านเคยเล่าว่าว่าท่านเอาพุทโทธตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าดูถูกนะพุทโธ พุโทโธเรารู้ทันจิตนะถึงจะใช้ได้แล้วพุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองชาติหน้ามันก็ไปอย่างนั้นอีกะพุโทโธต่อไปอีกไปไหนไม่รอดหรอกคือลมหายหนูก็พุโทโธอยู่กลางใจต่อไปใช่นะระวังอันหนึ่งก็แล้วกันอย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งนิ่งทื่อทื่อแข็งแข็งนะถ้าอย่างนั้นไม่เดินปัญญาอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะคือแยกทัดแยกขัน มันฟังเหมือนมันง่ายแต่จริงคือจริงจริงหนูว่ามันแยกจากความคิดมากกว่าเบื้องต้นคิดก่อนไม่เป็นไรนะเบื้องต้นคิดเอาก่อนก็ได้ที่หลวงพ่อพูดสอนว่านําร่องให้จิต่ ะ, ะคิดนําไปก่อนแล้วต่อไปค่อยดูของจริงใจหลงไปคิดแล้วก็รู้ทันว่าใจหลงไปคิดอย่างเงี้ยเคยรู้ทันเอาหลวงพ่อช่วยไกดได้ไหมครับเพราะขันมันก็ต้องหลายอันคือดู หนูว่าดูที่<ด>ไหนดีดูจิตไว้เลยจิตชอบรำพึงรำพันจิตชอบคล่ําครวญอะเนี้ยรู้ทันมันเข้าไปเลยนะขันมีเยอะแยะช่างมันอายตนะมีตั้งหกอันช่างมันแต่เมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วนะจิตวันไหวยินดียินร้ายรู้ที่จิตนี่อันเดียวเลยเอาอันเดียวนี่แหละไม่ต้องเอาอะไรอันหรอกดูที่ความที่ความรู้สึกรู้สึกยินยออ ด, ยน<ต>ดียินร้ายเออแต่ดูสุขดูทุกข์ ดูกุศลหน้ากุศที่มันหมุนเวียนอยู่มันไม่ค่อยมีตัวแรงแรงมาให้ดูระยะหลังมันแบบขึ้นมันเหมือนขึ้นมันเล็กอะแต่ก่อนมันยังมีตัวแรงแรงมาให้ดูเล่นบ้างภาวนาแล้วมันจะยิ่งละเอียดขึ้นแต่ถ้าละเอียดจนดูไม่ออกนะก็ดูกายถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายนะครูบาอาจารย์สอนเป็นหลักเลยครูบาอาจารย์ท่านสอนว่า ถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะนี่ท <Compass. S 1> ่านมีหลักนะไม่ใช่เอะก็จะพุดโธพฟีหนักกายอะไรงี้ไม่ได้ตื้นอย่างนั้นดูกายนี่คือดูแบบแยกนี่ดูยังไงใช่เห็นร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายมันพยักหน้าใจเป็นคนดูเห็นเลยไอ้ you, ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เราหรอกตัอย่างนี้นะ หรือเห็นลมเข้ามาอยู่ก็รู้ว่ามันเข้าใจเป็นคนมันไ ม, ไม่ใช่ตัวเรานะเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีลมไหลเข้ามีลมไหลออกไม่ใช่คนดูอย่างนั้นค่อยคิดนำไปก่อนอคนตอไปบ้างครับคุณ <ไป S 2> <ะ>ค่ะมาสกาลหลวงพ่อครับผมขออนากที่จะเรียนถามพ่อคือว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าอยากจะให้มีการตั้ง KPI อะไรนะตั้ง KPI ว่าเราจะไปถึงจุดจุดใดมผมก็เดินตามคําที่ CD ดีที่หลวงพ่อบอกคือตามรู้ตามดูแบบซื่อๆนะครับ เนื่องจากการทํางานเนี่ยบางทีเราก็ป่อแปะกลับบ้านเนี่ยนั่งก็ไม่ค่อยได้และปกติ <Ừ. S 1> เป็นคนที่นั่งอะไรไม่ค่อยนาน น, น, นะครับจุดดึงที่ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าใจต้องตั้งมัน่น <Ừ. S 1> นั่นคือสิ่งที่ผมเองก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเราเองมีใจตั้งมั่นหรือไม่เพราะว่าบางครั้งที่เรานั่งบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าเราคิดไปว่ากายไม่ใช่เราแต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเออเราเคยสัมผัสจุดหนึ่งเหมือนกันว่าเรารู้สึกด้วยตัวเองว่ากายไม่ใช่เรา ต, งตงรตงที่สัมผัสนั่นแหละจิตมันตั้งมั่นนะตรงที่คิดเนี่ยจิตยังไม่ตั้งมั่นครับหลวงพ่อครับผมเองเนี่ยอยากจะขอความรู้ความหลวงพ่อว่าสิ่งที่เราควรจะเดินไปในขณะที่เราเป็นคนเมืองเนี่ยนะครับก็คือถ้าเรานั่งสมาธิได้ไม่นานเราตามรู้ตามดูไปแบบซื่อๆอควรจะทําอะไรเพิ่มเติมบ้างครับคือการปฏิบัติมี2 ส, ส่วนนะปฏิบัติในรูปแบบกับปฏิบัติในชีวิตประจําวันในชีวิตประจำวันเนี่ยทำได้ทําไปทั้งวันเลย ยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดนอกนั้นทําได้หมดเลยจะกินข้าวจะอาบน้ําจะขับถ่ายนะทำได้หมดจะขับรถนะดูกายดูใจได้หมดส่วนการทําในรูปแบบนี้จะเพิ่มพลังของจิตทําให้เราเข้มแข็งแล้วก็ดูสภาว ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ชัดเจนขึ้นถ้าเราทําตอนกลางคืนไม่ได้แล้วก็ทกํากลางวันสินะเช่นกินข้าวเสร็จแล้วมีเวลาหน่อยหนึ่งนะแล้วก็มาเดินรู้สึกตัวออาหรือตื่นให้เร็วขึ้นนิดนึง เย็นกลับบ้านไม่ต้องไปฝืนแล้วนะเรียกว่าไม่ต้องฝืนสังขารนะมันไม่ไหวแล้วพักก่อนพักแล้วก็ตื่นขึ้นมานะมาภาวนาต่อหลวงพ่อฝึกตอนเป็นโยมนะก่อนนอนนี่หลวงพ่อจะดื่มน้ำเยอะเลยเพื่อให้ปวดฉี่เร็วๆแล้วจะได้ลุกขึ้นมาตอนลุกขึ้นมาเนี้ยได้ภาวนานะแล้วก็ตอนเช้านะตื่นเร็วขึ้นนิดหนึ่งมาภาวนาตอนกลางคืนหรอตอ น, ยนเย็นแล้วหมดแรงแล้วไม่เอาแล้ว นั่งอ่านการ์ตูนด้วยซ้ำแบบบางทีกับนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบหกปีค่ะหก <laughs> ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตเพ่งเกิดยังมีเพ่งอยู่นิดนิดแต่ก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะดีขึ้นนิดนึง <laughs> ก็ดี แ, <ล>แหละทีนี้ก็เลยอยากถามทีนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่ะ อยากถามเรื่องสัมมาสมาธิค่ะว่าจิตจะต้องตั้งมั่นขนาดไหนเพราะว่านังสือบางเล่มที่อ่านมาจะบอกว่าควรที่จะรู้ชาญ1หนึ่งถึงชาญ4ด้วยค่ะถึงชาญนเลยชาญนที่ 5, 6, 7, 8กเ็ดนี่ยก็ถือว่าเป็นชาญ4นะคือชาญที่สมีองค์สองเอกะกะตาอุเบกขานันในชาญที่ว่าถึงชาญ4นะี่นรวมไปถึงชาญที่8ด้วย คือสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเราไม่ต้องไปคิดว่าควรจะได้แค่ไหนเราต้องคิดว่าทำจริงจะได้แค่ไหนความน่าจะเป็นกับความเป็นจริงอะเอาที่เป็นจริงแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเหมือนเราจิตอุเบกขาอย่างนี้ค่ะมันคืออุเบกขาที่ถูกต้องอุเบกขาในชั้นสี่หรืออุเบกขามีหลายอันอุเบกขาเพราะดื้อด้านก็ได้ อย่างคนด่าก็อุเบกขาความจริงหน้าด้านอย่างนี้ก็ได้นะอุเบกขาเพราะสมาธิก็ได้จิตเข้าฌานถึงฌานที่ส5 6ห้าดดมีอุเบกขาอุเบกขาที่สำคัญเนี่ยอุเบกขาด้วยปัญญ า, าถ้าเมื่อไหร่อุเบกขาด้วยปัญญานี่ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานละเวลาที่มีปัญญาแล้วก็เป็นอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยเรียกมีสังขารูเบกขายาน สังขารุปเปกขาญาณนีนะ่เกือบจะเกิดอริยมรรคละเพราะฉะนั้นตัวสําคัญเนี่ยเราต้องมาฝึกพาจิตให้เห็นความจริงในกายในใจนี้นะจนกระทั่งมันเห็นความจริงเช่นมันเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะสุขก็ชั่วรคราวทุกข์ก็ชั่วรคราวความสุขเกิดขึ้นมันก็อุเบกขาความทุกข์เกิดขึ้นมันก็อุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ต่างหากละ่ะที่จะทําให้เกิดมรรคผล ส่วนการทําสมาธินั้นถ้าได้กานิกาสมาธินะจิตตั้งมั่นเป็นขณะขณะก็พอเดินปัญญาดได้ได้อุปจาร ะ, ะก็สบายเล่นสนุกดีเล่นอยู่กับแสงนั่นแหละเล่นเล่นกระสินมันไม่ถึงกรสินหรอกมันเป็นนิมิตนิมิตแสง <ฮะ S 1> ให้เล็กได้ให้ใหญ่ได้ก็เล่นอยู่นั่นแหละหรืออัปปนานอัปปนายากมั้งคิดเก่งอย่างนี้ <laughs> ก็ถ้าอย่างนี้ก็คือเราไม่ต้องสนใจแล้วเราทำให้มีสติตั้งมั่นอยู่เรื่อยๆใช่แล้วชันหนึ่งามสีชั่งมันไม่ต้องมันเกิดเองในขณะที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะเข้าฌานอัตโนมัตินะแ ต, แต่แต่หนูต้องช่วยมนันนิดนึงนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี่ยทำใ ห, ให้เป็นกิจวัตรการที่เราคอยสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าเรื่อยๆใจเราเคล้าเคลียร์อยู่กับพระุทเจ้ามีความสุขมีความสงบขึ้นมามันก็ได้ความสงบได้สมาธิ ในระดับต้นๆแล้วล่ะเข้าฌานไม่เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนยุคเราคนสมัยพุทธกาลเข้าฌานไม่เป็นก็เยอะไปครั้งหนึ่งพระเจ้าท่านเคยแยกแยะพระอรหันต์ให้ภิกษุฝังว่าในบรรดาพระอรหันต์0รอองค์เนี่ยมี60องค์ได้วิชาสามวิชาสามคือะระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์แล้วก็ล้างกิเลสได้พวกเล่นวิชาสามเนี่ยพวกต้องเล่นสมาธิมาก่อนได้สมาธิ อีก60องค์ได้อาภิญญาหกพวกนี้ยิ่งต้องสมาธิชำนิชำนานมากอีก60องค์เป็นอุปโตภาควิมุตตคือในขณะที่บรรลุธรรมเนี่ยจิตเข้าถึงอรูปฌานนะเพราะฉนั้นพระอราหันต์ที่ท่านเล่นฌานเดินชำนานนี่นะมี60สิบวกห บ, บวก60ได้เท่าไหร่ส6อร์ซ <Yeah. S 1> จาก500รที่เหลือคือคนอย่างพวกเรานี่นะ <Okay. S 1> พวกไม่มีฌานนี่แหลนะเพราะงั้นไม่ใช่ต้องเข้าฌานก่อนนะ คนส่วนใหญ่เข้าฌานไม่ได้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะยุคนี้ยิ่งยากใหญ่แค่เปิดทีวีฌานก็แตกหมดแล้วเปิดหนังสือพิมพ์ฌานก็กรเจิงนไม่ได้เรื่องเลยไม่ต้องหวังอย่างนั้นนะเอาที่เรามีขอบพระคุณค่ะกราบมรกการ์หลวงพ่อนะครับคือ ค, ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านแต่ว่าเคยฟังซีดีของหลวงพ่อ ก็หลายปีมาแล้วก็มีบางช่วงสักสามี่ปีก่อนเนี่ยค่อนข้างทํากันบ้านสม่ําเสมอตอนหลังนี่ก็ขี้เกียจหรือว่าเผลอเลยวันนี้ก็เหมือนกับว่าคงจะต้องส่งคลายๆกระดาษเปล่าแต่ว่าเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมันเผลอแล้วมันก็เผลอไปเลยที่มันมันกินอารมณ์เผลอไปอจนบางทีเป็นวันวังเป็นสัปดาห์ตรงนี้แหละที่เราต้องทําในรูปแบบนะ มันจะทําให้เราไม่เตลิดไปนะทุกวันเราก็ถึงเวลาเราก็มาปฏิบัติเอาแบบพวกมุสลิมก็ได้นะเขาดีนะเขาละหมาดวันละห้าครั้งละหมาดของเขาก็คือการทําสมาธินั่นเองถ้าเทียบกับของเราเขาเรียกว่าเทวตานุสติเขานึกถึงพระเจ้านึกถึงอะไรจิตก็ได้สมาธิเขาอุตส่าห์ทำวันหนึ่งห้าครั้งน่ายกย่องของเราชาวพุทธไหว้พระวันละครั้งยางยากเลยเนาะไม่เอาไหนนะ เราพยายามทำบ่อยๆสิครับแล้วก็บางครั้งที่ทำเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีความชำนาญมากพ อ, อ ม, มันการเกิดของอารมณ์เนี่ยมันไม่คม ม, มันไม่ชัดเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เกิดแล้วถึงเกิดไปแล้วสนี่ต้องต้องฝึกต้องซ้อมน ะ, ะต้องทำในรูปแบบพุโทโธพุโทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดแล้รู้ต่อไปพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงพอจิตเคลื่อนไปปุ๊บมันรู้เองเลยไม่หลงนานะนะ แล้วสภาวะอะไรเกิดขึ้นจะรู้ได้คมรู้ได้ชัดนะถ้าเราไม่ซ้อมเลยเนี่ยไม่คมอะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นนะเฉะนั้นเราอดทนเราพักเพียรซ้อมของเราเรื่อยมันก็ดีขึ้นการซ้อมนี้จะทําให้ฐานฐานของเราดีขึ้ น, นครับใช่จําเป็นนะต้องอดทนนะอดทนก็เชียร์นะหลวงพ่อก็ไม่รู้จะทําไงแนละ้วได้แต่เชียร์ <c oughs> ขอบพระคุณ พ, พระพุทเจ้าท่านยังบอกท่านทําได้แค่บอกทาง แล้วก็ให้กำลังใจเพราะใช่งพ่อยิ่งทำได้ไม่เท่าอย่างนั้นด้วยซ้ําไปมันพวกเราต้องช่วยตัวเองให้เยอะในวัส ก, การหลวงพ่อข้อที่หนึ่งนะคะสงสัยเ อ, อนิดหนึ่งค่ะคือสินข้อหนึ่งนะคะปานาอืปฏิบัติเกินตัวเองนี่ใช้น้ํายาฆ่าเชือ้อก็เลยคิดว่าไม่ผ่านข้อหนึ่งเคะ่ะไม่ใช่หรอกเชื้อมันมีจิตไหม ไม่แน่ใจอ๋อไม่มีหรอกไม่เห็นเชื้อโลกมีจิตเลยก็เลยรบกวนเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าถ้าตรงนี้ถ้าเราพระเจ้าท่านก็ทำแผลเทวทัตผลักก้อนหินใส่หน้าแข้งท่านเป็นแผลนะหมอชีวกก็รักษาแผลให้ใส่ยาฆ่าเชื้อให้อย่าคิดมากนะว่าแล้ว ก็ผ่าจาย์ให้ให้ไปดูสุขกับดูทุกนะคะอืก็รู้สึกว่าเห็นได้ชัดเจนนั่นแหละภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วค่ะสังเกตหรือเปล่าว่าจิตเราขนาดนี้กับแต่ ก, ก่อนแตกต่างกันไหมแตกต่างค่ะเนะต่างกันเยอะแล้วดีแล้วล่ะที่ทําอยู่ถูกแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดกรณีที่เราเห็นอย่างนั้นแล้วเรามีความคิดนําว่ามันไม่แน่มนไม่เที่ยง คิดเองก็แบบคะเนี่ยคิดเองแล้วเมื่อไหร่จะเห็นของจริงล่ะคะก็ต้องดูสิใครรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของมันไปด้วยเบื้องต้นจะคิดก่อนก็ได้ต้องใช้ความอดทนต่อไปใช่ต้องทนเอาที่าเราสะสมกิเลสข้ามพพข้ามชาติเราไม่บ่นสักคนเลยนะเราภาวนาสามเดือนเจ็ดเดือนเลยนะบ่นแต่ณปัจจุบันนี้นะคะโยมก็ มีความสุขค่ะนั่แหลว่ากายจะมีทุกข์ก็ตามเออภาวนาเป็นแล้วก็รบกวนพระอาจารย์ขอคำแนะนำปฏิบัติให้ทำต่อทำถูกแล้วล่ะค่ะใวัศการของเห็นหรือเปล่าว่ากายกับใจโค่ล้านค่ะโอ้มาเห็นยากเลยเนาะค่ะทีนี้มันเห็นได้ทั้งวันเลยนะกายมันไม่ใช่เราหรอกก็ยินดีถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายนั่นแหละใครตายกายมันตายไม่ใช่เราตายใช่ค่ะ กไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนเลยใช่นี่เห็นไหมใครว่าดูจิตยากไม่เห็นที่ยากเลยดูให้เป็นนะ<า>ทุกคน<า>ต้องดูนะเพราะอะไรดูจิตจะได้สมาธิจิตจสิกขาเนะี่ยทให้เราได้สมาธิได้จิตที่ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาบางคนดูกายบางคนดูเวทนาบางคนดูจิตบางคนเจริญธรรมานุปัสสนาไปเลยนะเช่นดูขันธ์มันทํางานดูนิวรณ์มันทํางานออย่างเงี้ย ดูกระบวนการปรุงแต่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตที่เรียกปฏิจจสมุปบาทนี่เจริญปัญญาอีกนิดหนึ่งค่ะอ า, าจารย์คือบางทีเวลาข่ายขึ้นสูงนะคะเราทำงานไม่ได้เราจะหงุดหงิดนี่เรียกว่าทุกข์ปะหงุดหงิดเป็นโทสะให้รู้ทันว่าจิตกําลังมีโทสะอยู่เห็นไหมมันหงุดหงิดได้เองอดูไปอย่างนี้นะแต่ไม่ว่ามันจะหงุดหงิดแค่ไหนก็ไม่ให้มันทําผิดศีลห้า อ่ะต่อไปนรัตสการนรัส ก, การค่ะท่านคะอยากจะกลับเรียนถามท่านค่ะว่าที่ได้ปฏิบัติมานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ควรจะปฏิบัติยังไงต่อไปควรจะมีจุดเน้นที่ไหนค่ะก็คอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะถ้าใจมันออกนอกเราก็รู้ทันว่าใจมันไหลออกไปข้างนอกให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้ ฝึกตัวนี้ให้มากเลยเพราะจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวนี่มันจะเห็นในกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ก็แยกออกไปแยกไหมแยกได้หรื อ, อยังอือแค่เห็นค่ะเห็นที่มันแยกได้ไม่บ่อยอะ่ะเพราะจิตมันไม่ตั้งมั่นนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูโลอสอนแล้วนะมีทีฝึกให้จิตตั้งมั่นก็คือพุโทโธไปหายใจไปแล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันไวัยจิตจะค่อยตั้งขึ้นมานะ แ้หนูถึงจะเห็นขันมันทำงานได้นัมสักการหลวงพ่อครับ เ, เป็นครั้งแรกที่จะส่งการบ้านนะครับคือตัวผมเองเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าตัวเองแยกลูกแยกน้ำได้ยังเพียงแต่ว่ามีบางวันที่มีประสบการณ์ที่ว่าเตือนนอนตอนคืนตอนที่เติรดขึ้นมาเนี่ย เห็นกายตัวเองมันนอนกลนอยู่เนี่ยเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยทําไมมันกลนเนี่ยเราไม่ได้สั่งมันกลนมันก็กลนของมันเองอันนั้นใช่เรีอคบใช่อันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากครับผมประทับใจการกลนเนี่ยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มีอาการคล้ายๆกันกับกลนมาเอ้ามันก็มันไม่ไม่ใช่ตัวเรานี่นะที่มันกลนนะครเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัวที่กาลังพูดอยู่เนี่ยนะเห็นไหมตัวนี้มันไปยักหน้าอะไรเงี้ยครับ ดูไปเลยไม่มี<ข>เราเหรอครับแล้วมีอีการหนึ่งที่ว่ามีรู้สกความความรู้สึกว่ากายมันเป็นทุกข์ที่ว่ามันอย่างเช่นกระพริบตาเราก็รู้สึกว่าทําไมมันต้องกระพริบตาบ่อยอย่างนี้ทั้งท่านนี้ไม่ได้สั่งมันมันก็กระพริบตาอัน น, น, นั้นแหละเพราะมันทุกข์ครับ<น>เรียกว่าเห็นได้ราช่หมใช่ ค, ใชครับแล้วอีการหนึ่งตัวผมเองนี่อยู่ต่างประเทศห่างไกลจากกาลยาณมิตรไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีแนวทางสําหรับคนที่อยู่ต่างแดนเนี่ย ปฏิบัติธรรมยังไงให้ก้าวหน้าครับคือคําว่ากัลยาณมิตรในคําที่ล่อแหลมนะในความเป็นจริงเรามั่วๆเว่าใครคือกัลยาณมิตรมันอาจจะเป็นปาปมิตรก็ได้สอนเราผิดกวได้นะครับงั้นจุดสําคัญเนี่ยคือคําว่าโยนิโสมานสิการว่าความแยบคายในการสังเกตเอาพิจารณาแต่ว่าไม่ใช่สังเกตมั่วๆเราต้องเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรครับเรารู้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ย เราเทียบด้วยหลักที่ท่านสอนเช่นหลวงพ่อก็เคยผิดภาวนาไปแล้วจิตสว่างว่างอยู่นั้นนะมีความสุขอยู่นานเลยวันหนึ่งเฉลียวใจว่าทําไมมันเที่ยงมันไม่ควรจะเที่ยงทําไมมันเที่ยงเราต้องทําอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยสังเกตเอาเพราะฉั้นสิ่งที่หลวงพ่อใช้มากเลยนะคือโยนิโสมานสิกันสังเกต ด, ด้วยความแยบขายหมายถึงสังเกตโ ด, ดยมีบรรทัดฐานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มั่วเอาเองนะตัวนี้ช่วยได้ดีที่สุดเลยครับ ส่วนกัญานมิตรเรามั่วเอาเองว่าคนนี้เป็นกัยานมิตรเลยนดีไม่ดีมดันสอนเราผิดเองอ๋อครับนะคำถามคาถามสุดท้ายครับคือว่าในกรณีที่ปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยทางผมเคยเปฏิบัติโดยใช้ลมหายใจบางครั้งมันตกพวังเหมือนกับตกจากที่สูงลงมามแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยทั้งอายาตนาทั้งทั้งานะฮะหรือ แ, แ, แต่ใจ อ, อย่างเดียวใช่ได้แะจิตรวมเข้าสมาธิแล้วมันก็ วูปตกไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่เพรมันไม่ชํานาญมันหล่นวูปมือเด้งเลยถ้าไม่ชํานาญนะต้องทํำยังไงครับก็ฝึกไปเรื่อยเวลามันจะเข้าพักมันจะลงนิ่มๆมันจะลงแหมแลนดิ้งสวยมากเลยไม่โครมตุ่มเลยมันลงแบบรูปลงไปตกใจถ้ารูบรูปมันจะเด้งขึ้นเลยแเราจะทํายังไงให้มันแลนดิ้งได้ดีครับผมยังไม่มันอยู่ที่ชั่วโมงบินอ๋อชั่วโมงบินชั่วโมงบินมากมันก็แลนดิ้งดี ถ้าเราฝึกดีๆแล้วมันจะช่วยช่วยเราใดแง่ไหนในด้านวิปัสสนาหรอครับไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาตัวนี้เป็นที่พักแต่มีความรู้สึกว่ามีบางวันเนี่ยปวดหัวมากแบบคล้ายไมเกรนมันลนปุ๊บไปทีเดียวแล้วปุ้งขึ้นมาเดียวหายเลยครับหายแต่ไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาไม่เกี่ยวนะฮะแต่ ว, ว่าเป็นอนํานาจของสมถะใช่อํานาจของสมถะครั บ, รบก็ทําให้อายุยืนอย่าเงี้ยแข็งแรงขึ้นครับ ถ้าทำได้ก็อายุยืนมากนะอยู่เป็นหมื่นกับยังมีเลยตายไปอยู่เป็นพรห ม, มโลกนะจิตอยู่ทีนี้แลนดิ้งอยู่ยทีั้งวันเลยโอเคก็ขอบคุณมากนะน้ำมศการครับหลวงพ่อครับส่วนมากหนะ้าพรหมหลุดจากพรห ม, มโลกที่ตกนรกนะเวลาที่จิตไปติดความสุขความสงบนานๆเนะีพอหลุดออกจากความสงบเนี่ยร้ายกว่าคนปกตินะน้ำมสการครับพ่อ ส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองนะครับตื่นเต้นกว่าครั้งรกนใช่ไหมครับผ ม, มครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ถลำไปรู้นะก็กลับบ้านไปก็ช่วงแรกก็ลองทําดูก็รู้ไม่ไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปแต่เห็นตอนที่มันไปจ่อแล้วครับอแต่พักหลังๆมานี่ไม่เห็นเลยทางระบบนะครับนึกว่าเห็นจิตเคลื่อนครับยงัยงยงังยังยังไม่เห็นแต่มีช่วงหลังๆนี่มีโทสะรุนแรงแล้วก็จิตไม่ตั้งมันก็ ก็มาแนวรับสุดท้ายมาทําสมถะก็แต่ระหว่างที่ทําสมถะเนี่ยเ อ, อจิตก็ไม่ไม่รวมนะไม่รวมรู้รู้สึกว่าไม่รวมแต่ไม่รู้รวมหรือเปล่าแล้วก็บางทีกายกายยิ้มยิ้มเองแต่แต่ข้างในใจิตในใจเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีความสุขไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขบางทีกายยิ้มนะข้างในไม่ยิ้มนะอันนี้ไม่แปลกนะครับมันมีกายไม่ยิ้มแต่ข้างในยิ้มนะ อ, อันนั้นก็บางทีข้างในก็หัวเลาะแต่ข้างนอกก็เฉยๆก็ยังอยู่ในแนวทางไหมครับอยู่อยู่แต่ต้องซ้อมสม่ำเสมอนะซ้อมสม่ำเสมอให้จิตมันตั้งมั่นรู้ตัวสบายโปร่งโล่งเบานะถ้านานๆซ้อมทีมันจะฝืดมันจะฝืนไปก็ซ้อมทุกวันอ่ะดี ซ้อมนี่คือซ้อมออ ท, ำทำในรูปแบบนะบบครับทำในรูปแบบไม่ใช่ไปทําให้จิตนิ่งซ้อมไปเช่นหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทั น, นหายใจไปจิตมีความสุขรู้ทันหายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้ทันเมื่อเวลาเราทําในรูปแบบเนี่ยบางครั้งมันเป็นการซ้อมดูสภาวะบางครั้งเป็นการทําสมถะบางครั้งเดินตัญญาเมื่อเราชำนาญขึ้นมานั้นเนี่ยในขณะที่เรานั่งสมาธิสมมตก่อนจะนอนเรานั่งอย่านี้จิตเดินได้หลายแบบเลย ทำสมถะก็ได้น ะ, จะเจริญปัญญาก็ได้อะไรเงี้ยซ้อมหัดดูสภาวะก็ได้ซ้อมไปทุกวันเละดีแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดเพ่งหรือว่าติดประคองอะไรติดน้อยแล้วนะกลนะัวหลวงพ่อมากกว่าเลยแข็งไปหน่อยครับแล้วก็อีกเรื่องนึ่งคือระหว่างทำสมถะพักหลังนี่จ ะ, จะง่วงมากๆไม่ได้ง่วงที่เกิดจากการทำงานอนะมันง่วงเองไม่เป็นไรบางทีจิตมันเบื่อจิตมันบางทีมันบางช่วงนะ มันจเจริญปัญญามันเริ่มเห็นทุกข์พอมันเห็นทุกข์มากๆมันหลบนะตอนั่งสมาธิพ่มจะหลบเหมือนจะหลับในไปเลยนะเป็นธรรมดางั้นเวลาเรายืนเดินนั่งนอนอะไรเนี้ยคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะรู้สึกไปสบายๆดูเหมือนดูคนอื่นดูอย่างสบายๆนะคุณครับหลวงพ่อครับนามสการเจ้าค่ะเมื่อหกเดือนที่แล้ว หลวงพ่อให้กันบ้านว่าเดินธรรมไรยกเว้นเดินข้ามถนนให้เหมือนเดินจงกรมผ่านไปสามเดือนแรกนีรู้สึกว่าทำไม่ได้เหมือนเราพุโทโธเนี่ยมันจะอยู่แต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในรูปแบบเดินจงกรมพอปลายปีที่แล้วคือประมาณธันวามีกะะานานนุนายนมิถุยแนะนำให้สวดอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณหลังคุณช่วงแรกเป็นระยะเวลาที่ฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยทาแล้วรู้สึกได้ผลดี ก็สวดในใจใหญ่เวลาที่อยู่ว่างๆมันก็สวดขึ้นมาเองดแต่ทําไปหนักๆเข้าพอเดือนมกราเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเราไปเพ่งมากเกินไปสติมันก็เลยอ่อนแรงลงก็เลยไปมีโทสะมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกิเลสมันนาไปเราไปทํากรรมแล้วจิตใจก็เศร้าหมองก็รู้สึกว่าคงไม่ใช่ทางนี้ละไม่ได้หมายความว่าเราต้องทําแบบนี้ตลอดระยะหลังนี้ก็จะเป็นแต่ว่าพอจิตมันว่างๆแทนที่เราคิดว่าถ้าเราว่างเราจะฟุ้งไปก็กลับมาอยู่กับ อีพิธโสเบาๆคลอๆเหมือนแบ็คกราวอะค่ะทำให้สติดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ระยะหลังนี่คือตัวมณัตตาเนี่ยเหมือนกับมันแสดงตัวคนที่จะมาเป็นครูให้เราคือคนข้างๆตัวเจ้าค่ะพอยิ่งเวลาที่เร า, เรากำลังมีความสุขเพลิดเพลินเนี่ยเขาจะมาเอาทิฏฐิที่ไม่ถูกตรงข้ามกับเราทางการเมืองเนี่ยเราก็อาจจะฟังอยู่เฉยๆความติดสมถะทำให้โยมเนี่ย เหมือนกับ ไ, ไปกดกๆขม่ขมๆไว้ไม่รู้สึกตัวว่าเราไม่พอใจนะตอนนั้นไม่มีสติทนฟังฟังฟั ง, ฟงดึงทั้งจุดดึงดึก็แสดงโทสะอารมณ์แรงกว่าปกติอืแล้วก็วันต่อมายังรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์จะทําอย่างนั้นเราสอนเขาแต่จริงๆแล้วเราก็ละอายใจมากเลยว่าเรากําลังขาดสติให้เขาโชว์ให้เขาเห็นเขาก็เดินหลบหายไปเลยว่าทําแล้วยังไม่ไม่รู้สึกตัวเจ้าค่ะเราไม่ได้ภาวนาจนเรารู้สึกว่าเราเก่งหรอกเจ้าค่ะ ยิ่งภาวนาไปนะเราจะพบว่าเราไม่เก่งเลยเราทําอะไรไม่ได้เลยเจ้าคะ่ะยิ่งภาวนาถึงจุดหนึ่งนะจะรู้สึกจนมุมเลยไม่รู้จะปฏิบัติยังไงนะเจ้าคะ่ะเราภาวนาจนจิตมันเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่เราบังคับได้แต่ทั้งจิตใจเนี่ยสั่งให้ดีมันก็ไม่เชื่อเราหรอกมาหน้าตามันจะมาห้ามมันก็ไม่ได้ดนี้พอมันมาเราตกใจ หรือเราละอายนะคะความจริงที่ดีกว่านั้นก็คือรู้ทันมันมันจะมาหรือมันจะไปเราสั่งมันไม่ได้ดูให้เป็นใส่รักดไปเจ้าค่ะที่ระยะหลังเห็นระหว่างเดินจงกลมคือรู้ว่าขามันเดินจริงอ่ะแต่จิตมันไปท่องรอบโลกค่ะเจ้าค่ะตอนนี้เห็นแล้วว่าจิตมันไม่ใช่เราใช่ใช่ะมันออกไปแบบสารพัดแล้วเราบอกอ๋อจิตมันไม่ใช่เราแต่ขาดูบ่อยๆนะคะดูแต่ว่าท้ายที่สุดจะบอกว่า ทุกวันนี้เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนเด็กใหม่จ้าค่ะเป็นแบบเด็กๆแบบไม่แก่จ้าค่ะคือกําลังฝึกเป็นนักเรียนธรรมะที่แบบว่ายังสดสดใหม่ๆคือเราต้องฝึกอีกเยอะไปตลอดเจ้าค่ะใช่ทํำใ่นั้นแหละเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะในมรดการค่ะหลวงพ่อค่ะหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะหนูรู้สึกว่าตัวหนูเนี่ยติดนิ่งติดเฉยติดซึมหดหูอืม ก็เลยอยากมาขอคำแนะนำจากจติดพราะจิตมันหนีจิตมันหนีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการภาวนาส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะปฏิเสธปฏิเสธโดยที่ภาวนาอยู่นะคะว่าปฏิเสธเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยชอบออนั่นแหละนะมันเป็นอาการที่จิตมันมันไม่เป็นกลาง มันมันจะหนีทุกอ่ะปฏิเสธใจกล้ากล้าเ <นะ S 2> หนือคื อ, อพยายามหมายถึงว่าอาให้กําลังใจตัวเอ ง, เองว่าแบบเอย่าไปกลัวทำไมเราต้องไปกลัวใช่ต้องกล้ากล้านะนาถ้ใจเป็นกลัวมันก็หลบไปทําอีกสิไปนะแล้วถ้าจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูให้รู้ว่าหดหู ดูลงไปจิตจะฟุ้งซ่านก็ห้ามไม่ได้จิตจะปวดหูก็ห้ามไม่ได้นะดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คงที่สักชนิดเดียวเลยนะเราทำตัวเป็นแค่คนดูไม่มีส่วนได้เสียเห็นความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตอย่างที่เขาเป็นนะเห็นด้วยความเข้าใจไม่ใช่เห็นด้วยว่าชอบอันนี้เกลียดอันนีนะ้เห็นอย่างเป็นกลางเข้าใจมันว่า ทุกอย่างนี้เราบังคับไม่ได้หรอกทุกอย่างไม่คงที่หรอกยมดูไปเรื่อยนะจิตได้สดชื่นหน่อยแม่้มันจะแห้งแล้งไปใช่ค่ะหลวงพ่อคะรู้สึกว่าความชุ่มชื้นในใจนี่หายไปเยอะมากก็คือแบบก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเป็นอะไรที่ดเดินปัญญารวดแปก็แห้งแลง้งนะต้องทำความสงบเข้ามาบ้างหรือเปลี่ยนอารมณ์บ้างแต่ถ้าจิตใจหดหูจิตใจเสื่อซึมก็รู้ทันมัน นะอย่าปล่อยผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายที่ปล่อยให้อารมณ์ซึมเศร้าครอบงำต้องสู้นะอย่ายอมหลวงพ่อคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเวลาภาวนานะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าภาวนาในรูปแบบหรือว่าอยู่ในช่วงปฏิบัติที่แบบไปปรีกวิเวกอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่หนูรู้สึกว่าหนูจะหลงกับนิมิตค่อนข้างง่ายกลับมาที่จิต เวลานิมิตใ ด, ดๆเกิดขึ้นนะให้ย้อนมาที่จิตของเราเองเช่นเห็นนิมิตแล้วเกิดสงสัยหรือเกิดดีใจเกิดมีความสุขอนะไรเนียย้อนกลับมารู้ทันจิตนิมิตจะหายหมดเลยยกตัวอย่างนะเรานั่งสมทธิอยู่เราเห็นผีมาโผล่ข้างหน้าเราเราก็ย้อนกลับมาดูจิตแล้วให้ผีมาโผล่เราสงสัยว่าผีจริงหรือผีปลอมนะเรารู้ว่าจิตสงสัยดูมาที่จิตนี่นะไม่ดูที่ผีนะ โดยที่จิตนะความสงสัยดับไปแล้ก็ย้อนออกไปดูอีกถ้ายังอยู่ก็คงจะตัวจริง <laughs> ถ้ามันหายไปแล้วนะั่นจิตลับปรุงขึ้นมาอะไรเกิดื่อนย้อนมาที่จิตนะจับหลักนี้ให้แม่นไม่งั้นเราจะหลงนิมิตไปกับน้ำมัสการเจ้าค่ะ เ, เป็นชั้งแรกที่ส่งกันบ้านนะคะปกติก็ฟังซีดีหลวงพ่อที่บ้านนะคะก็ หนูเพิ่งไปภาวนามาเขาขอา่อชืนะประมาณเจ็ดวันค่ะเสร็จแล้วตอนวันสุดท้ายจะเห็นจิตสว่างอะใสมากมแต่ว่าความคิดอะคะ่ะเขาออกมาที่จิตอะคะ่ะเหมือนน้าพุเลยค่ะเออนั่นแหละเวลาความคิดพูดขึ้นมาก็ผูดอย่างนั้นแหะไหลออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะอืมัมนพูดออกมาจากความว่างๆน ะ, ะแล้วก็สลายตัวไปในความว่างๆ ก็ <c oughs> เป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรใช่ไเปหมคมรับ <c oughs> แต่อย่าให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยอยู่เรื่อยๆนะค <c oughs> จิตใจที่ดีที่สุดก็คือจิตของคนธรรมดาอย่างนี้แหละจิตของคนธรรมดาเนี่ยเวลาตาหูจมูลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันก็สุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างเราก็เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเป็นนิ่งเฉยอะไรมากระทบแล้วก็เฉยเฉยไม่ดีนะอันนี้ติดเพ่งหรือเปล <c oughs> <c oughs> ่าคะใช่อขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขออนุญาตถามนะคะพอดี หนูจะเห็นนะคะข้างในมันดูดตลอดเวลาไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเรามองเห็นรูปมันทำงานไปเท่า น, นั้นเองก็ไม่ต้องไปติดมันไม่ต้องไปสนใจให้รู้ทันจิตบางทีลมก็ทะลุที่หลังอะไรอย่างเงี้ยน่เป็นปเรื่องของสมาธิเท่า น, นั้นนะสมาธิใช่ไหมใช่สมาธิมากๆบางคนหายใจทางผิวหนังนะค่ะ<อ>แล้วขอขอนุญาตถามนินึงนะคะตอนนี้ภาวนา ม, มีอะไรต้องแก้ไขไหมคะ อยากให้ติดนิ่งติดเฉยนะจิตที่ดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดานี่แหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดีกว่าจิตสงบคงที่ตลอดนะเจาค่ะขอบพระคุณค่ ะ, คะมนุษย์ทำไมภาวนาได้ดีแล้วไหมมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่พรยเจ้าเลือกมาตรัสโลเลยพราจิตของมนุษย์แกว่งไปแกว่งมา ถ้าไปอยู่พรอมมัโลกนะจะให้เห็นว่าจิตไม่เที่ยงนี่ยากเหลือเกินเพราะมันเที่ยงอยู่งั้นอะไปอยู่เทวโลกจะใ ห, ให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์นะก็ดูยากเหลือเกินเป็นมนุษย์นั่นแหละมันแกว่งไปแกล้งมางเงี้ยมันดูง่ายเพราะฉะนั้นเราไม่ทําลายพบมนุษย์ของเราไปสร้างพบของพรอมขึ้นมาแทนนะกราบนมัธ ก, การค่ะครั้งที่แล้วส่งกันบ้านพระอาจารย์บอกว่าติดสมาธิก็พยายาม พยายามจะจะจ ะ, จะ ใ, หให้ให้หลุดแต่ก็กลายเป็นว่าตอนนี้เลยกังวลว่าเอ๊ะตัวเองจะติดหรือเปล่าแล้วก็ใกล้ๆกับเราเราคิดคิดว่าจะทํายังไงให้มันไม่ติดนะคะเลยไม่ทราบว่าวตอนนี้ <c ười> คืบหน้าหรือถอยหลังค่ะเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไหมถ้าเห็นน่าไม่ติดลแล้วถ้าคนติดสมาธิมันจะนิ่งๆมันจะนิ่งๆมันจะมีตัวดูอ่ะนิ่งอยู่ตลอดเลยตัวอื่นเคลื่อนไหวได้นะ แต่ตัวดูมันนิ่งอย่าไปประคองตัวดูไว้ <c oughs> ของคุณไม่เป็นหรอกมันฟุ้งไป <c oughs> แล้วแล้วจิตตั้งมั่นกับจิตถึงฐานนี่ตัวเดียวกัน <c oughs> ไะตัวเดียวกันเลยค่ะ <c oughs> และข้อเนี่ค่ะคือเวลาจะนอนเนี่ยค่ะเราควรจะเ อ, อทำํำยังไงหมายถึงว่าควรจะปฏิบัติยังไงเวลาก่อนนอน <c oughs> <c oughs> แล้วก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นอนให้หลับ <c oughs> แล้วแบบวัลคิดคือคือควรจะก็มีหน้าที่นอนกวต้องนอนสิ เคอทำอะไรตอนนั้นละ่ะดูแบบดูลมหายใจได้ไมหมฮะด้ดูไปเรื่อยนะบางทีเจ็ดชั่วสว่างขึ้นมาถึงเช้าเลยไม่นอนเลยใช่บางครั้งเป็นมากไปถึงเวลานอนก็ไปนอนซช่ค่ะหลักปฏิบัตินะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ฝืนรุนแรงเกินไปถ้าง่วงก็นอนถ้าหิวก็กิน แต่หลวงพ่อไม่ได้สอนว่าถ้าขี้เกียจให้นอนนะถ้าตะกละให้กินไม่ได้สอนอย่างนั้นนะถ้าง่วงร่างกายมันต้องการพักผ่อนก็พักผ่อนถ้าหิวร่างกายต้องกินอาหารก็กินอาหารงั้นการภาวนาเนี่ยไม่ใช่่าจะทรมานกายทรมานใจทรมานมากๆแล้วจะบรรลุไม่เกี่ยวกันเลยเราก็หัดดูไปเรื่อยอย่างเวลาที่เราจะหัดดูสภาวะเนี่ย จิตมันไหลไปดูเราก็รู้ทันว่าจิตมันไหลไปดูจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นนะจิตจะอยู่ตาหากสบายๆโดยไม่ได้รักษาไว้เวลาดูสภาวะข้างในที่มันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยจิตจะไม่เคลื่อนเข้าไปที่ตัวสภาวะจิตจะอยู่ห่างๆแต่ถ้าไปชำระสภาวะแล้วจิตก็ไหลไปรวมเข้ากับสภาวะนั่นแหละคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกหมดแล้วนะแค่นี้ ลําดับต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่นําของต่างๆและปัจจัยต่างมาถวายหลวงพ่อขอให้ตั้งใจนะครับร่วมกล่าวคําถวายพร้อมเพียงกันนะครับโดยรองศาสตราจารย์รัตต์ศรีไทยรุ่งโรจน์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอศิลป์ไทยจะเป็นตัวแทนของพวกเราในการถวายผ้าไตรและพร้อมทั้งปัจจัยนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยหอศิลป์ไทยและผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยร่วมกันเป็นจํานวนเงินนะครับ 42,126 บบาทนะครับก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับ เชิญกล่าวคำถวายพ้าไตรร่วมกันนะครับข้าแดดพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพ้าไตรจีวรกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุกสงฆ์ขอพระพิสุกสงฆ์จงรับซึ่งพ้าไตรจีวร บของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินเดี๋ยวพวกเรารับพรท่านอาธิการนั่งตรงนี้เลยก็ได้ยะทาวาริวะาปุราปริปุเรนตีสาคารัง เอวเมวาอีโตทินังเปตาณังอุปการปติยิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวาสมิจโตสเพปูเรนตูสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัปีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาแต่ภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีเลสนิจังบุทาปัจจายิโน จตารโรธรรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขังพระหลังอนุโมทนากับทางท่านอธิการนะกับมหาวิไลนะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาฟังรมนะนักศึกษาไม่ฟังนักศึกษากำลังสอบเ <c oughs> ขาน้ำท่วมก็เลยเลื่อนสอบมานะเดี๋ยวเราพอไปกันนะ